พระบัญญัติ408ก็ภิกษุใดรู้อยู่ชักชวนกันเดินทางไปร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรโดยที่สุดแม้ชั่วระแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ